2.32 หลวงพ่อก็สอนเหมือนครูบาอาจารย์วงเล็บเปิด9มีนาคม2551ในวงเล็บสองวงเล็บปิดบางคนนะบอกทำไมหลวงพ่อสอนแปลกสอนไม่เหมือนใครความจริงครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้นะถ้าเราภาวนาจริงๆอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านจะชี้สภาวะหรือบางทีถามก็ถามกันแต่เรื่องสภาวะที่นี่เวลาที่ท่านออกมาเทศคนเยอะๆ ท่านก็เทศเรื่องทำทานถือศีลอะไรอย่างนี้ไปเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ยินสิ่งธรรมดาธรรมาที่หลวงพ่อสอนเนี่ยกลายเป็นเรื่องแปลกไปความจริงครูบาอาจารย์ท่านก็สอนให้เราดูสภาวะให้รู้ทันจนจิตมันดําเนินไปสู่ความหลุดพ้นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะ